วันนี้เป็นวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น8ดค่ำเดือน11แล้วก็วันพระหน้าเป็นวันประวรณาออกพรรษาเป็นวันตักบาทเทโวแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นหลวงพ่อได้ ขึ้นมาศาลาหน่อยหนึ่งอย่างพวกหลวเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายห่างจากนี้ไปประมาณสัก20กว่ากิโลไปก็ไปไปแสดงธรรมไปเทศมีพระสงฆ์มากแล้วเขาท่านจะวางสิะเลิกวันนี้แหละนายแพทย์กเกษม อะไรวัฒนชัยอะไรที่เป็นองค์ขมนตรีจะเป็นผู้มาวางศิรตเลิกสร้างตึกให้กับโรงพยาบาลสังคมหลวงพ่อถามว่างบเท่าไหร่ประมาณ80กว่าล้านถ้าหากว่าไม่ใช่เงินงบนะก็คงจะหนักอยู่อันนี้ก็คือเป็นเงินของพี่น้องประชาชนก็คงจะเงินหลวงบ้างแล้วก็พร้อมกันถ้าหว่าได้อาคารแล้วก็ยัง อุปกรณ์นะอุปกรณ์การแพทย์นี่มีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นหลวงพ่อกะไว้เลยว่าประมาณสองสองร้อยนี่ยจะอยู่หรือไม่สองร้อยล้านนะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสมรคีในการทำงานอิทธิบาทเข้ามาเสริมอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้ สำเร็จความประสงค์ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่ในชนบุคคลใดชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นทําอะไรสําเร็จเพราะว่าวิมังสาไตรตรองเหตุและผลคือให้ใช้ปัญญาถ้าว่าใช้ความซื่อบือนะ้อแล้วที่ทํำยังไงมันก็ไม่เสร็จถ้าใช้ปัญญาจะทํำยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือ ตึกกลางนี้ใหญ่พอสมควรแต่หลวงพ่อก็เห็นด้วยถึงใจใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะเหตุไรเมืองไทยของเราไปทําอย่างอื่นมากแต่จะสร้างอาคารให้กับพี่น้องประชาชนอีกไม่นานปีหน้าในเข้าประชาคมอาเซียนแล้วพวกเราจะงุมๆง่มงามๆยังไงมันต้องเตรียมพร้อมพอสมควรพะเรา เมืองไทยของเราเป็นเมืองหลักถ้ามองมองดูรอบๆร้านของเรานอกจากสิงคโปร์กับมาเลยท่านั่นแหะที่เป็นเมืองที่เหนือด้ือว่าใกล้เคียงแล้วเหนือกว่าเราสิงคโปร์กับนอกนั้นก็เป็นพี่เป็น พ, พี่พี่น้องๆกันต้องได้พึ่งพาอาศัยกันคนในแต่ละประเทศสรุปแล้วก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเอกอราชมานาน ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะนั้นต้องยืนหยัดยืนหยัดทั้งการแพทย์ทั้งอะไรทุกอย่างหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลพอหลวงพ่อเองเคยช่วยโรงพยาบาลห ล, ลายแห่งแล้วก็วันที่หที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อก็จะได้มอบรถแอมบูรัน ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรหลวงพ่อกันัดเมามามอบที่วัดน่ะมอบที่ศาลาใหญ่ข้างนอกนั่นอ่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ใดนะวันนั้นฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะมอบรถอมโบรัคันหนึ่งราค า, า 9, ล้านเก้าล้านเก้าแสนนะมอบไปกับโรงพยาบาลให้ใช้เพื่อสาธารณะสงรับคนที่เจ็บไข้ในป่วย หรือพระสงฆ์ที่เก็บไขได้ป่วยตลอดถึงครตายนะใครตายก็ส่งศพด้วยนะไม่ต้องว่าจ้างรถพยาบาลอื่นเอารถพยาบาลหลวงพ่อมอบใหนะ้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เกิดประโยชน์มากที่สดนะุดนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยโรงพยาบาลตลอดถึงเครื่องมือแพทย เมื่อไม่นานมาได้ก็ได้ตกลงให้ให้เครื่องมือแพทย์เครื่องผ่าตัดด้วยความที่สูงราคาล้านเจ็ดจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังอีกเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็เครื่องอบอบเครื่องมือแพทย์ทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์อันนี้ก็รวมกันแล้วก็ประมาณ90 0,000 นะ กาวแสนกว่ า, วามากันนี่แหละอันนี้ก็คือพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามชุมชนชุมชนอยู่ได้พุทธศาสนาอยู่ได้พุทธศาสนาอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้เพื่อพาอาศัยกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อไปพูดเมื่อคืนในหลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพระบางคนพระบางองค์นะ ศรัทธาญาติโยมบางคนก็หาว่าหลวงพ่ออินที่ขี้อวดพอทําอะไรออกไปแล้วก็อวดหน้าอวดหลังหลวงพ่อไม่ใช่นะหลวงพ่อทําเพื่อพระพุทธศาสนาทําเพื่อพระพุทธศาสนาถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดทําอะไรก็จบไปทําอะไรก็จบไปไม่ประกาศไม่บอกข่าวแจ้งข่าวให้กับพุทธบริษัทซีได้รับรู้รับทราบร่วมกัน ผลในสุดเขาก็จะประนามว่าพระพุทธศาสนาเป็นการฝากของชุมชนสังคมมาเกาะกินเฉยๆมีแต่เกาะอย่างเดียวไม่ได้ให้ไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรเลยเห็นไหมสพงศสงพ่อเคยโดนเคยถูกมาแล้วแต่สมัยหลุงพ่อเป็นเน่นน้อยอยู่กับหลวงปู่ล่ามีคนเข้ามาพูดพระพุทธศาสนาเป็นการฝากสังคมหลวงปู่ล่ากระโดดโยงเลย โอ้โหจะววาหาพุทธศาสนาเป็นก้าวฝากได้ไงพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีเนะี่ยว่าสอนคำนี้แหละมันเป็นนามเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเหมือนกับเราสอนวิชาให้กับเด็กเนะี่ยกอไก้ข้อไข่เอบซีดีอะไรก็ตามสอนให้เด็กเด็กได้ความรู้ความฉลาดแล้ะมองไม่เห็นจุดนั้น เ, เมื่อมองไม่เห็นก็ดูถูกล้ว้ะนี แต่ก่อนเด็กที่จะฉลาดขึ้นมาได้นะั้นคนที่จะมีความรู้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะได้รับการสอนคนในชาติก็เหมือนกันผู้ที่จะได้รับความรู้ความฉลาดนะจะต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์พระสงฆ์สอนศีลธรรมอย่างพวกเรามาวัดอย่างนี้เดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดให้ฟังศินอย่างนั้นนะสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนั้นนะจากนั้นก็แจก MP3 หนังสือธรรมะให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษา จากนั้นพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็รู้ศีลรู้ธรรมแต่โลกของโลกของเขามองไม่เห็นเพราะมันโลกมันมืดไปด้วยราคะโทสะโลภโกรธหลงมันมองไม่เห็นในศีลธรรมจริยธรรมนา ม, มธรรมเหล่านี้ต้องเอาวัตถุออกมาเนี่ยหลวงตามหาบัวหาทองคำเข้าคลังหลวงนะบสามตันกว่านะถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาหลายหมื่นล้านนะ คนไทยใครทำรายอ้าวก็ใช่แล้วเอาเงินของคนอื่นเอาชีถ้าเอาเงินของคนอื่นก็เถอะให้คุณไปเอาเให้เป็นคุณไปเอาคนเงินจากคนอื่นมาเถอเอาได้สักพันล้านก็ดีเอาได้ไหมอไม่ได้ไม่ได้ก็แสดงว่าคุณไม่มีวาสนาอย่าอวดอย่าอ้างอย่าแสดงตัวอย่างโง่ท่านมีความสามารถท่านจะเอามาเอาทองคำเข้าคลังหลวงเป็นหลักประกันของประเทศชาตินี่ ไม่ใช่แต่ทองคําเท่านั้นหลวงตาสร้างโรงพยาบาลเท่าไหร่โรงเรียนเท่าไร่เครื่องมือแพทย์เท่าไหร่มากมายมหาศาลเนี่ยอันนี้คล้ายๆว่าใครก็มองเห็นเนาะเป็นลูกประธรรมไม่มีใครที่จะตําหนิดได้โอ้โหพระพุทธศาสนาเป็นกาวฝากเนี่ยคุณใครเป็นคนพูดคุณเป็นคนพูดใช่ไหมคุณได้ทําอะไรฮะกับประเทศชาติบ้างนี่หลวงพ่ออินเนี่ยสร้างโรงเรียนนะหลายสิบหลังนะเครื่องมือแพทย์นะ เออเอามาสิมันเล่นเลี้ยงแต่กันเรากับคุณเรากับเธอนะ่ยใครทำประโยชน์ให้มากกว่ากันไม่มีใครที่จะมาถกเถียงได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นรูปธรรมมันมองเห็นนะถ้าหากว่าเป็นนามธรรมเนี่ยสอนให้ศีลอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้อ้าวอาตมากขาสอนที่ไหนเขาจะว่า เ, เราก็บอกไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดให้กับชุมชนและสังคมได้รับผู้รับทราบก็เพราะว่า คือจุดนี้ตนเองไม่ใช่หลวงพ่อพูดไปแล้วได้อะไรได้หน้าใช่ไหมหลวงตามหาบัวได้หน้าใช่ไหมหน้าหลวงตามหาบัวอยู่ไหนเดี๋ยนี่เอาเผาไฟทิ้งแล้วนะหลวงพ่ออินก็จะเผาไฟทิ้งอีกเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้านะได้หน้าได้ไปทําไมอทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราควรจะทําคุณประโยชน์ให้กับพื้นแผ่นดินไทยที่ตัวเองเกิด อันไหนเป็นสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีคิดให้คิดเพื่อประเทศชาติทำก็ทำเพื่อประเทศชาติพูดก็พูดไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขในขณะที่เราเกิดในชุมชนและสังคมนั้นอย่าไปลองแก่จะไปเบียดเบียนจะไปเอารัดเอาเปรียบชุมชนสังคมอันไหนดีรู้ไหมดี ถ้าเราไม่รู้จักดีเราไม่รู้จักว่าจะไงอีกเหมือนกันคาว่าดีนั่นคืออะไรใครใครก็รู้ทั้งหมดในจิตในใจแต่จะเดินตามสายนั้นหรือไม่หรือไม่เท่านั้นเองเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมนะที่หลวงพ่อพูดให้ชุมชนและสังคมฟังให้คิดได้ให้คิดเลยว่าหลวงพ่อไม่ไม่ได้ต้องการหน้าตาอะไรเพียงแต่ประกาศให้ชุมชนสังคมได้รับรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรถ้าไม่พูดะเลยฮอก็อย่างที่ว่าเขาป น, นามว่าพุทธศาสนาเป็นกาฝากสังคมฮสมัยนะั้นสมัยคอมมอนิสนะเาขาบอกว่านะถ้าเข้าปกครองเข้ามาไดนะ้เรื่องพุทธศาสนาเขาจะจัดการก่อนเห็นไหมเมืองลาวเขมรก็ล่มแหลมเต็มทนเมืองจีนไปนหมดหมดไปเลยฮเขาจะจัดการแต่เมืองไทย เมืองไทยเป็นเมืองที่เข้มแข็งคู่บาจารย์ยุคศสนาสมัยนั่นก็เลยสมัยหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆหลวงปูล่ละท่านบอกจะทำให้ประเทศชาติคนทุกจนเสมอกันทำไมโงน่นักหลวงกูบาจารย์กรมฐานให้ออกมาทำไมสู้เจ้าจึงโงน่นักกรรมมันจำแนกเกิดมาแล้วมันเกิดมาเนี่คนตาบอดจะให้มันเหมือนคนตาดีได้ยังไง คนโง่จะให้มันฉลาดได้ยังไงกระสอนได้อยู่แต่มันโคตรเป็นบ้าจะให้มันเหมือนกับคนดีได้ยังไงทำไมโง่นักจะให้คนเสมอกันมันเสมอได้แต่เสมออย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่จะให้เสมอภาคกันมันคิดได้ยังไงแต่นี้ครูบาอาจารย์ภาคกรรมฐานทั้งหลายยืนหยัดขึ้นมาใครพูดที่ไหนก็ประนามทีนั้นญาติโยมทีนั้นญาติโ ย, ยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอ้ใช่ กรรมคือการกระทําถ้าคนทํากรรมชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยปรุปรับเนี่ยใครผู้ใดผู้หนึ่งเ<ม>ออขึ้นมาเอามีดมาฟันหัวยําหัวกันในที่นีอพวกเราก็ต้องลุมจับลุงจับประทับยังไงให้มันเสมอกันใช่ไหมมันเสมอได้ยังไงก็ต้องจับไปเข้าห้องขังจับสงตํารวจเอจากนั้นก่อนนะพิ่ภากษาตัดสินทําได้ยังไงเอาไปขังคุกไว้คนที่มันชั่วนะ นี่ะกรรมชั่วอย่าทำเสรยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือกรรมคือการกระทาเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนกรรมหลักกรรมเนี่ยเป็นหลักใหญ่มากกรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไงทําชั่วทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไงจะใช่ใช่แบบหลอกๆบางคนก็เ น, นี้ย คนคนนี่นหละเลียเขาเนี่ยเลียเจ้าเลียนายเลียผู้สูงจนได้ใหญ่าทั้งคดทั้งโกงมาเอาเถอะอีกสักวันหนึ่งกรรมยังไม่ให้ผลก็ไม่เป็นไรแต่กรรมให้ผลเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นทํากรรมดีไว้ดีกว่าถ้าทําดีแล้วนะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้ น, น่ะแต่ถ้าอาว่าทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วให้ผลระวังฮะค่ม ไม่ต้องระวังหรอกมันต้องเสวยอือย่างเทวทัตพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้อสอนอะไรทุกอย่างแต่ผลในสุดอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนนะมันคิดได้ยังไงฮแต่เราคิดอยู่นะคิดได้ยังไงเอพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนแท้ออแนะนําสั่งสอนก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาเทวทัตไปรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่กิเลสความโลภ ความโกรธความหลงความอิจฉาในจิตใจมันมีอผลในถูกกับแผ่นดินสูบเทวทัตพระพุทธเจ้าเลยทําไงท่านก็เออสมควรแก่กรรมที่เทวทัตได้กระทาไว้เราก็ไม่ได้ซ้ำใดเติมอะไรหรอกแต่ทํายังไงมันเป็นอย่างนั้นสมควรแผ่นดินสูบตามกรรมที่ท่านได้ทําไว้นะเ อ, อท่านก็ทํำยังไงต้องวางอุเเปกขาเนะนี่แหละบางสิ่งบางอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วก็ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเมตตาคือความจะช่วยเหลือคือเมียพี่ให้มีเมตตากรุณาคิดว่าจะส่งเสริมกรุณาคือสงสารจะช่วยยังไงกรุณามุทิตา เ, เมื่อเขาได้ดีแล้วก็พรอ ย, ยินดีด้วย เ, เมื่อได้ดีเออขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อได้ดีมุทิตาเห็นแล้ว เมื่อเขาถึงข่าวจิบหายมันช่วยไม่ได้ข่าวป่วยขาล้มข่าวตายเข้ามาจิบหายเข้ามาจะไปซ้ำไปเติมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเกินกว่าที่จะไปช่วยได้ท่านก็เข า, าอุเปกขาไม่ยินดีไม่ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ไม่เสียใจเมื่อคนอื่นถึงคราววิบัตินี่แหละ อันนี้คือถ้าหากว่าไม่มีการทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอุเบกขานีหลวงพ่อวันุคงจะปล่อยวางยากเหมือนกันนะมีแต่เมตตาการุณามุทิตายสามอันเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าวา ง, วางอุปเปขาอุเบกขาเหมือนเหมือนกับทิ้งทวนหรือว่าใช้ใอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับคนทั้งหลายก็คงจะไม่ไม่พอใจนะ ที่ว่าอุปเปกขาเนี่ยอุปเปกขาเนี่ยภัยใครที่ยินก็ไม่สบายใจแต่ตามม่จริงจะทํำยังไงล่ะฮจะทํำยังไงล่ะเมื่อถึงจุดนั้นล่ะจะทํำยังไงลมันต้องวางอุปเปกขาเนี่ยนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีใช่จะมีจะเมตตากรุณามุติตาอย่างเดียวนะมีอุปเปกขาด้วยนะไม่ว่าเขาหอว่าเราร่างกายของเราก็เหมือนกันอถ้ามีอยู่ดีเนามาอาหารการบริโภค อาหารดิบดีเอามาฉันผ้านุ่งหม่มดิบดีเอามาใชาย้ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บมันมีอะไรเอามาฉันแก้โรคภัยไข้เจ็บยาเอาไว้วิตามินยาโปรตีนอะไรทุกอย่างดูแลรักษาร่างกายรักษาเอาไว้เมื่อเรายังนั้นอยู่แต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ข่าวจำเป็นทน่นเลมันใจจะขาดมันเอาไม่อยู่ทน่นเลยแล้วจะทํำยังไงอหมอเขาเอาไมา่อยู่ใครเขาเอาไม่อยู่ขนาดหมอแท้ๆกันยังเอาหมอไม่อยู่อีกเหมือนกันนละแล้วจะทํำยังไงแต่ข่าวนั้นล่ะก็ต้องอุเเปกขาถึงจะรักขนาดไหนก็ต้องอุเเปกขาเนะีมีแต่มองตาพิิบๆพริบๆในช่วงนั้นนะอัตติอั ต, ตโนนาโถและนะ้วเนี ข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของข้าเองเลยนี่แหละอันนั้นก็คือเมื่อคนอื่นวางโอเปิขาแล้วนะตัวเองก็ต้องดูตัวเองแหนะแ่เนเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ่พูดทางนี้ทั้งนั้นให้พวกเราน้อมนําคําสอน ที่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะหลวงพ่อเป็นแตเป็นทูตนะำธรรมเหล่านั้นมาบอกกล่าวต่อให้พวกเราได้ฟังอีกต่อไปภายผ้าหน้าลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์พูดต่อกันไปอีกจริงไหมไม่ใช่ว่าพูดต่อกันไปเฉยๆนะจริงไหมท า, ามันจริงนะจะทำยังไง มีช่องทางให้ปฏิบัติสิ่งปฏิบัติธรรมให้เป็นคนดีตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนตายแล้วไม่สูญนพี่น้องลูกหลานนะ่อในครั้งพุทธเจ้าของเราก็มีคนอยากจะรู้เหมือนกันนะไม่แพ้ในยุคสมัยนี้จนถึงก็มีพรามวังคีศัก์เอาค้อนกระหลกเล็กๆเคาะกบานนะ่เพราะหัวคนตายเออค น, นตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ย พระพุทธเจ้ายอมรับเออชายวังคีส่าในพูดถูกนะสาธุสาธุเขา อ, อันไหนอันนห้ไปเกิดเป็นสัตติรชานนะคนคนนี้เอาไม้กระโหลกเคาะศีรษะเขาไปเกิดเป็นสัตติรชานชาทุสาธุถูกต้องอันนี้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์นะพระพุทธเจ้าสาธุถูกต้องออพอไปเคาะกระโหลกพระหรหันต์เลยเคาะกะโหลกพระหรหันต์ข้อเลย ไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยเงียบขออะไรกันเงียบไปที่มีที่ไหนไหมเลยไม่รู้ข้าพเจ้าขานะเขาก็เก่งไม่ใช่ย่อยเหมือนกันน ะ, ะพระพุทธเจ้าเรารูนะ้พระองค์รู้ไหมพเจ้าขาเนี่ยคนคนนี้รู้เรารู้จนถึงพระวังคีสะถ้างั้นข้าพระองค์เป็นขอเป็นลูกศิษย์ขอเรียนวิชาอยากจะรู้นะก็ะโหลกเนี้ยนะไปไปที่ไหน เอ้าวท่านไม่บวชซะก่อนเราไม่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ถ้าบวชซะก่อนเราจึงจะประสิทธิ์ประศานวิชานี้ให้ครับผมนี่แหละวังกีสะเลยบวชวังคีสะพราหมณ์นะบวชพอบวชมาพระพุทธเจ้าก็ให้สอนสอนกรรมฐานให้เลยนเถรนี่อาการสาสอนเลยเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟัน หนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหม้อใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจำไรออกมาแล้วมีแต่เลือกเนื้อมีแต่กระดูกทั้งนั้น ท, นทน่นี้สอนเลเนี่ยหละใจตัวผู้รู้เนี่ะร่างกายนี่เป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นของเราเราจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยบอกได้ไหมไม่ได้ในเมื่อไม่ได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมนี่แหละ พอจากนัก้นจิตของท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นพระรหันต์นะนี่แหละพระในครั้งพุทธกาลมาในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะทุกทุกท่านได้ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพรุทธเจ้ามีมากลาหลาย 84% ดหมี่พันพระธรรมขันนะเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะรับพรนั่นโมทนาให้พร